หลังสกิดมนสามาเก่เป็นนัำให้พวกเรานั่งเรียกขอสงบขอสงบคือสงบทั้งร่างกายแล้วก็สงบทั้งจิตใจความสุขเนี่มันมีสอด้านบาทีสุขแต่ร่างกายแต่ใจเราวุ่นวายเนี่ยมันก็เรียกว่า มันไม่ใชความสงบที่แท้จริงนะแต่ถ้าร่างกายบางทีมันไม่สงบนะบางทีเราอยู่ในที่ที่วุ่นวายหรือบางทีเราทำงานทำการต่างๆบางทีร่างกายมันดูไม่สมกนะแต่จิตใจเราก็ยังสามารถสุกได้นะอันนี้มัน ม, มีความแตกต่างกันยังมีตัวอย่างนะ มีตัวอย่างพระพุทธเจ้านะท่านมีตอนหนึ่ง น, นะมีมีโจนประหนึ่งทื่ว่าโอมคุลีมาโอมคุลีมานคือโจนที่เรียกว่าคอยตัดนิ้วมือคนนะตัดมาแล้ว999นิ้วนะเรียกว่านะข้า9คนมาประมาณ999คนนะจน คิดว่าองคุติมาคิดว่าถ้าได้นิ้วมือครบหนึ่งพันนิ้วมือเนี่ยจะเอาไปแลกกับการเรียนวิชากับอาจารย์โดนอาจารย์หอกนะโดนทุกสิทธิ์ทุกคณของอ า, าจารย์หอกเพราะว่าเห็นว่าองคุติมาเนี่ยเก่งเกินไปนะเราแบ่งองคุติมาจากแต่ก่อนเป็นคนดีเนาะพอเริ่มตัด น, นิ้วมือคนเยอะๆนะ ก็กลายเป็นคนแบบรู้รายขึ้นมาวันนั้นเนาะก็เห็นองคุติมาเห็นผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาที่จริงผู้หญิงบนนั้นนะตั้งใจเดินมาหาองคุติ ม, มาโดยเฉพาะเลยเพราะผู้หญิงคนนั้นคือใครคือแม่ของ อ, องคุติมาแม่เนี่ยเห็นลูกฆ่าคนบริสุทธิ์มามากมายแม่ม ทุกใจมากอยากจะมาห้ามองพุทธิมาไให้ไปห่าคนบยิวอีกแล้วแม่ไม่ได้มีความกลัวองคุติมาบริลงคนอื่นที่กลัวแม่มาด้วความรักนะรักที่อะไรรักรักที่ไม่อยากใหรู้ทําความชั่วอีกการว่าจะมาห้ามแต่องค์ุติมา น, นะด้วยความที่เรียกว่าหน้ามืตามนต่างมัวเนาะมอง มองแม่แต่เองไม่เห็นเป็นแม่มองเห็นแต่ความต้องการของตเองคือต้องการนิ้วต้องการนิ้วนิ้วสุดท้ายก็จะได้พบพันธุน์เจ้าไปรีกับอ่าความรู้ที่อาการย์จะถ่ายทอดให้มองแม่ไม่เป็นแมน่มองแม่เป็นเพียงแค่ร่างกายหนึ่งที่มีนิ้วจะให้ตัดแต่พระพุทธเจ้าท่านทราบว่า ถ้าไทรนี่ที่ข้าพ่อหรือฆ่าแม่เนี่ยคนนั้นจะปิดกั้นโอกาสที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้ น, นพระเจ้าด้ยความเมตตาองคุติมานเนา ะ, นะก็เลยเรียกว่าเมื่อเห็นนเห็นแม่องคุติมาเดินมาพระพุทธเจ้าเรียกว่าชิงเดินตัดหน้าก็ว่าได้นะชิงเดินตัดหน้าก็ว่าได้องคุติมาจะคิดว่าเออ เจอพักก็ดีเหมือนกันราพอพระนี่มีปกติที่จะไม่วิ่งแต่เป็นโยมเนี่ก็ยังสามารถวิ่งนะวิ่งได้เป็นโยมกาจนะได้ตามยากหน่อยแต่นักบวช น, นะเป็นพระนี่มีปกติที่จะามไวิ่งหนีสนะิ่งใดใดก็แล้วแต่ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายนะจากนะจากแม่ผู้หญิงนะกลายเป็น ไปตามทางดีกว่าเพราะว่าท่าอยู่ใกล้กว่าด้วยแล้วก็ท่านก็เดินเดินช้าชาแต่ปรากฏว่าเลยครับองคุริมานบินอะไรต่ามพระพุทธเจ้าตามอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ทันพระเจ้าสักทีพระเจ้าได้เปลี่ยนเดินด้วยการสํารวมระวังไปนแต่การเดินของหลวงพ่อโตองค์นี้ เดินด้วยความสำรวมกับเร็วกว่าองคุติมาที่วิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งเจอทั้งเหนื่อยะเหนื่อยจนองคุติมากอกว่าสัมมนะหัวโล้นหยุดน่อยหยุดน่อยพระเจ้าตอบว่าอะไครับตอบว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดหยุดอะไรครับพระเจ้าองคุติมาบ็เขียง ไม่เห็นท่านอยู่เลยยังเห็นท่านเดินอยู่เราเองสิวิ่งจนเหนื่อยจนหุดอบแค่นีเนี่ยตัวเจ้าบอกว่าเราหยุดจากการทำความชั่วแล้วเธอแหะยังไม่หยุดจากการทำความชั่วเนี่ยมาหยุดตางกันเนาะใช่ร่างกายตัวพระเจ้าท่านเดินอยู่แต่ใจท่านหยุดจากการทำความชั่ว ผมก็ได้มานิ่งอย่างก็เร็วนะแต่ใจเนี่ยเล่าร้อนในการที่อยากจะทำนะทำร้ายชีวิตคนอื่น อ, นะนะอันนี้คือันหยุดแตกต่างกันเนานะอย่างที่เราว่าว่าบางทีร่างกายเราอาจจะทำงานทำการหรือว่าเราที่เกี่ยวข้องกับสินะ่งแวดลอ้อนมะที่อาจจะพู่วายแต่ใจก็ยังสงบได้ อย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนโจนวิ่งไล่นะถือดาบเตรียมที่จะฟันแต่จิตใจท่านเนี่ยสงบอยู่ได้นะสงบอยู่นะแล้วก็ยังมีเมตานะเมตตาสอนองคุติมาองคุติมาพอได้ฟังแค่นนั้นนะปัญญาเกิดขึ้นเลยบอกว่าเรายัางไม่หยุดทำชั่ว <c oughs> องค์มันเห็นตัวเองเห็นอะไรเห็นใจตัวเองที่มันที่มันอยากจะอือยากจะได้ดี้ーเห็นใจตัวเองที่มันทุกข์องค์มันเห็นใจตัวเองมันวางความอยากตรงนั้นแค่นี้นัะได้ฟังแค่นี้คลายภาระบนที่บรรลุธรรมขึ้นมาเลยแล้วก็ขอปวดนะขอปวดแต่บวดแล้วก็อยุดบ้านเนาะ เรกรรมที่เคยทํากับคนอื่นไม่ดีมายัางนะแม้ปวดเป็นพระแต่คนก็ยังมีไวใจครับไปบินทบาร ท, ที่ไหนนะคนก็กลัวไม่กล้าใส่บาหรือบางคนก็ป้องกันตัวเอาก้อนหินเอ า, าไม้มาปาพงพุริมาณบางวันบินทบารไม่ได้อาหารกลับมานะครับได้จเจือกรือกลับมาได้เจ็บแผลกลับมา ท่านก็ทําใจทําใจก็ได้ทําใจรู้ว่าเขามันเป็นกรรมที่เราเคยทำไม่ดีเนอะเคยทําไม่ดีก็เลยโดนคืนเขาทําร้ายแต่ใจท่านก็ไม่ได้โกรธคนที่ทำร้ายท่านแล้วมีวันหนึ่งนะมีวันหนึ่งเขาท่านเห็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงท้องแก่ะก็กระดัง เรียกว่าท้องแก่ใกล้จะคลอดลูกพอนเห็นหลวงพ่อพิมานเดินมานะครับผู้หญิงมันก็กูดวตกใจมากตกใจว่าพู้หลวงพิมานจะมาถ้าเราหรือเปล่าถ้าถ่าเรานี่ก็เรียกว่าตายทั้งทั้งแม่แก็ลูว้ยเียกันผู้หญิงก็ตกใจแต่หลวงพิมานบอกว่าเดี๋ยวก่อนน้องหญิงอเดี๋ยวก่อนน้องหญิง ด้วยความด้วความสัตย์เนี่ยด้วยความสัตย์ตนี้ตั้งแต่เราออกบวชแล้วเราไม่เคยคิดเปลี่ยนใจเลยด้วยความสัตย์นี้ขอให้ลูกของเธอจงพ่อเปนความสะดวกเธอผมเคยมาพูดใช่ไหมนะเด็กก็พ่อออกมาอ ย, ย่างง่ายดายแม่ไม่ตัดเน้นเจ็บปวดอะไรเลยนะพ่ออะไรครับความสัตย์ก็คือว่า ควาจริงเนาะใจที่บอ่อยเปจริงว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยเบียดเพี ย, ย, ยนะใครอยูไอ้ก่อนบวชนั้นเคยอยู่แต่ตั้งแต่บวชมาแล้วไม่เคยเบียดเบียในใครซึวยความศัทธาเนี่ยทําให้เรียกว่าอให้คนอื่นเขาคล้องรู้ได้ก็มีนะแต่ในอันนี้ไม่ถเกรดนิด น, งนึงนะในทางชาวพุทธบางทีเขาก็ามาเป็นขอพรซ่านะ ให้สวนมนต์บทที่ว่าองค์พุทธิมารสวดถ้าใครมีคันมีทองอยากให้ออกง่ายๆสวดองค์พุทธิมารสตรก็จะทำให้ค้อดูสะดวกอันนี้เป็นเรื่องราวอย่างนที่เห็นว่าบางทีเนาะคนเคยหลมผิดนะแม้ข้าคนอื่นแม้เป็นโจรโวดร้ายแต่ ถ้าได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะคัมันก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะ้เปลี่ยนใจที่เคยเรียกว่าโกรธเกลียดหรือวุ่กกลายเป็นใจที่เรียกว่าสงบแล้วก็มีความสุขได้อันนี้คนนะเป็นแบบนี้ก็มีหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังเปลี่ยนได้นะมีอยู่ตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าบินทบพาอยู่บินท บ, บาา มีช้างตกมันครับช้างช้างตุร้ายทำร้ายคนตายมาหลาตกแล้วโดนพระเสดประทัดปล่อยมาก็ปล่อยกล่าวว่าจะให้ช้างเนี่ยเหยียบพระพุทธเจ้าตายช้างตัวนี้มาด้วยความตกมันพระพุทธเจ้าท่านอาศัยเลยครับอาศัยจิตเมตตาแทนจิตนะครับไปถึงช้าง ทางได้รับความเมตตาของของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากความดุร้ายการเป็นความสงบบิ่งมาถ้าโดนนะครับถ้าโดนคือท้าอุปัญชาขพระพุทธเจ้านะถ้าเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเห็นช้างวิ่งมานะถ้าโดนจะเสียตลาดก็เองมากท่านวิ่งออกไปอยู่หน้าพระพุทธเจ้าประมาณว่าถ้าช้างจะมาเหยียบให้เหยียบท่านก่อน ถ้านนี focuses, tonight, b ong, b ong am, After, ้มู so. or, ้ตากับคนเจ้ามานะเสดาคีวิตซ์เองเลยนะเอาตัวเปังนปังคนเจ้าเลยนะแต่พอช้าวิ่มาจริงๆครับมอลงมอลงที่จริงพระเจ้าหน้าเขาบอกว่าถนนเธอไป็ต้นตัวเราโดนทำลายหรอกนะสัตว์ในชานเนี่ยไม่สามารถทาลายเราได้หรอกมนุษย์หน้าไหนก็ไม่สามารถทำลายเราได้หรอก พระเจ้าบอกอันนองทางนิ่มาก็ต้องหมอบออกมาให้พระเจ้าพระเจ้าก็ลูกหัวให้พรให้ธรรมะกับฌางด้วยนะบอกว่าเธอเป็นสัสตร์ฌานก็ก็ทุกก็ลำบากแล้วอย่าไปเที่ยวทําร้ายคนอื่นอีกมันจะเป็นป่งเป็นการต่อไปฌานคนนั้นจิ้งดึงดูดายเขา ก็กลายเป็นชางที่เชื่อแล้วก็มาบ้านเรก่อนง่้ด้วยอะไรครับด้วยเมตตาเมตตาถือความรักความปัาหนาีนนแหะแม้แต่สัตว์เขาก็รับรู้ได้นะแต่จริงเราเคยไหครับเวลามีคนทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราลองเราลองทำความดีกับเขากลับไปมันจะเปลี่ยนเขาได้นะ เขาอาจจะเปี่ยนเขาก็ได้มังแต่บางทีถ้าเราเรียกว่าพอเขาทําไม่ดีกับเราเราไปทํำดีกับเขาตอบนี่ศัตรูก็ยังเป็นศตรูยังข้ามใช่ไหมครับแต่เราลองเปลี่ยนคนอื่นทำไม่ดีกับเราเราองเมตตาไปลี้เขาเราปฏิญาณดีกับเขาเราไม่เปลี่ยนเปี่ยนเขาเขาก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนพฤติกรรมหนึ่งดีได้มีตัว อ, อย่างหนึ่ง น, นะเป็นเกิดขึ้นที่ ป, ประเทศอเมริกา อ, อเมริกามีแม่ลูกคนหนึ่ง น, นะครับแม่แล้วก็มีลูกชายคนนึงก็ลูกชายโดนโด น, โดนเด็กเล่ร่อนนะข่าตายเด็กเล่ร่อนในในสาะนะ อาจจะด้วยความขึ้นกันอนหรือด้วยความเมาอยากแตจงิดก็ไม่รู้นะก็ฆ่าลูกของแม่ ท, ท, ที่ตายทำที่เด็กที่ตายไม่ได้มีความผิดนะเปไ็นใครถ้าจะโดนแบบลูกหลงหรือว่าด้วยวามตั้งใจก็ไม่รู้นะอืไม่มีความคิดแต่ตํารวจก็ตามจับคนที่ฆ่าเนปะ็นผู้ชายคนนี้ได้ตามจับได้สถิตคุกตามระเบียบนะ ครับตรงนี้เพราะว่าหลักฐานชัดเจนเมื่อติดคุกแล้วเป็นยังไงครับเมื่อติดคุกแล้วเด็กคนนี้ไป็นเด็กเลี้ยงลไม่มีคนไปเยี่ยมเลยนะติงคุกนี่ตำหบานะครับอืมเข้าออกเครื่องใช้ก็อาจจะตัดขัดส่วนมากถ้าไม ok <ave ir S 3> ่มียาที่น้องเามาให้บางทีแม้แต่แปงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรมันก็ไม่เคยมีอาจจะตัดขัดส่วนมาก แม่ของเด็กคนนี้นะก็อยากจะมาดูอยากจะมาดูหน้าคนที่่าลูกของตัเองเขาบอกว่าคนที่ฆ่าลูกของตเองว่าอยู่ใกล้เนี่ยของูกของเราใช่มแต่มาเห็นแล้วก็เห็นไม่มีญาติเยี่ยมเลยนะแม่ของมันก็เลยซื้อจานตีฟันเครื่องเข้าก่อเคร่งใช้ต่างรการกินมาให้เป็นประจำ เรียกว่าแทบทุกวันที่ก็ได้คนที่ฆ่าลูกของเขาในที่ดินฟูก็แบบแรกๆก็เหมือนไม่ไว้ใจนะทำไมถึงเอาเอาหา้าเอาความใช้มาให้เขาเป็นประจำเลยแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่มีเขาก็ยังเป็นต้องใช้ภากรัในความเต็มใจแต่ก็ยังรู้สึกแบบไม่คยสบายใจ เขาจะมีอะไรบางคนเพื่อนมรฆ่าเาหรือเปล่าเราอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะในใจแต่ก็เด้ถามก็เดถามแม่ของคนที่ตายเลยว่าทำไมทําไมคุณนาถึงเอข้าวของเคืองใจไม่ให้ผมเยอะเหลอเกินทำไมมันทำเหมือนทำดีกับผมผู้หญิงมันบอกว่าเธอฆ่าลูกฉันตาย ชันก็จะฆ่าเัวเองตายเหมือนกันถธอฆ่าลนตายนะชั้นก็จะฆ่าตัองตายเหมือนกันคอยดนะหเือต้องตายแน่ประมาณนัแต่พิจนั้นก็ยังทุกสัปดาห์ยังเอาอาหารเอาของใช้มาให้เป็นประจำเลยให้เป็นประจำแต่ถ้าเด็กคนนั้นก็คบกำหนด ก็กำหดในการจําคูกนาะก็ออกจาคุกแม่ของคนที่ตายชวนถางเด็กว่าเธอมีที่จะไปหรือเปล่าเธอมีที่จะไปหรือเปล่าเขาก็เป็นเด็กเร่ร่อนก็อกก็บอกต่างชื่อว่าผมก็ไม่มีที่ไปผมก็ไปญาติขาดมิดนะแม่ของเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่านั้นเธอไปอยู่บ้านผมใช่ไหมเด็กก็คอคลนโง่โง่กัน ไม่มีนี้อยู่ก็ไปก็ไปอยู่บ้านพี่ชันก็ไปอยู่นะแม่ของนั้นก็ดูแลคนนี้ติดพวกนี้แหละดูแลน่กับลูกดูแลกับลูกไปเองเด็กคนนั้นก็รู้สึกแบบทราบชื่นใจมากก็ทำหนังผิดแล้วก็ขอโทษขอสนานแม่ที่อืมเคยเคยฆ่าพลังฆ่าลูก ข้ า, ข แ, มาแม่ตายแม่เขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้ว น, ะนเราก็แก้ไมนได้เนาะแต่วันนี้เนะี่ยฉันได้ฆ่าเธอตายแล้วค่าในที่นี้นะไม่ใช่ว่าค่าให้เกีชีวิต น, นะค่าคนเก่าที่เคยไม่มีนะฆ่าความชั่วในใจเสกนะออกไปนะอืม จากเด็กที่ไม่ดีอย่างเด็กที่เล่ห้อย่างเด็กที่ไม่มีการศึกษาแม่เขาใช้ความรักใช้ความรักใช้การให้ยาพายข้าเด็กคนนั้นตายไปแล้วเด็กที่ออกจากฟุแล้วมาอยู่กับเขาเนี่ยเป็นเด็กคนใหม่ไม่ใช่เด็กคนนั้นนะท่านข้ามอ่าเด็กที่ไม่ดีในใจถึงเธอตายไปแล้ว ตอนนี้เธอเปติดคนใหม่เธอมาเป็นรูกฉันน ะ, ะในในเธอก็ไม่มีที่ไปเธอมาเป็นรูกฉนนะนืะก็กลายเป็นแม่คนนั้นนะครับเสียลูกชายในสายเลือดจะตินไปแต่ก็ยังได้ลูกใหม่มาแทนที่ใช่เลยครับใช่ความเรียกว่าเมตตาเนาะแล้วก็ให้อภัย แต่ที่ถ้าเขายังโกรธป็นเกลียดคนที่ฆ่าตัวเองเขาคงทุกข์ใจมากนะครับใจก็ทุกข์นะคิดว่าทำไมตัวต้องตายคิดโกรธคนที่ฆ่าตัวเองที่ตายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้รู้ชายทำไมเลยอซังใช่ไหมอืมอาจจะเป็นฆ่าเขาตัวเองอาจจะเป็นติงคุกต่อแทนเขาใช่ไหมครับอันนี้เนี่ถ้าเรายังือความโกรธยังความเกลียดไม่ยิ้งไจเนี่ย มันก็ฆ่าไปได้แต่เนี้ยลูกผล น, นะสามารถเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเองก็ได้หรือว่าเปลี่ยนคนอื่นก็ได้นะนด้วยความรักความเมตตาซึ่งพระอาจารย์คิดว่าความรักความเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาเนาะนไม่ใช่ศาสนาเหมือนอย่างตัวอย่างคุณแม่ชาวอเมริกันคนนี้ก็ เขาก็ไม่ได้นักสือศ า, นะอออาน ส, สนาคู้นั้นก็อาจจะนักสือศาสนาคิดก็ได้แต่เขาก็มีความรักความเมตตาแล้วก็มีความให้เพย์เนาะให้เพย์คิดว่าตรงนี้แหละมันเรื่องความรักความเมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องสามคนเป็นเรื่องสามคนเป็นเรื่องของคนทุกคนสามารถทําได้อเราสามารถทําได้ทั้งกับคนอื่น หรือเราก็สามารถทำให้กับศาสตร์อื่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องสาบถ้าเราทําแบบนี้นะคนที่ให้ความรักจะได้ความรักกลับคืนมาแต่ขอให้บ่งเล่มนะบ่งเล่มความรักในที่นี้อย่าไปตีความแคบๆว่าคือความรักแบบหนุ่มสาวะหรือว่าความรักแบบการต้องครอบครองเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวนะ ความรักที่นี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับความรักแบบนี้คือมันเป็นความนักแบบเชื่อเลยที่ว่าเขียนแก่ตัวะแต่ความรักที่เป็นสามคนจริงๆเนี่ยเป็นความนักที่เหมือนให้แล้วก็ไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรกลับมาคท้ายที่สุดแบบพ่อแม่ของเราให้เราแบบไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องให้เลยท่านกลับมาหรือเปล่า เราจะต้องดิ้นรนถ้าลืมเปล่นะถ้าเราสามารถให้แบบนี้ได้นะจะเรียกว่าเรียกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์นี่แหละเป็นความรักที่มันจะไม่ทุกขนะ์ไม่ทุกข์เพราะอะไรครับไม่ทุกข์เพราะ <JI. S 2> ว่าเราไม่คาดหวังไม่ต้องคาดหวังแม้แต่คำขอบคุณนะไม่ต้องคาดหวังว่าทำไปแล้วเขาจะมา<เ>ตอบแทนเราหรือเป่า ถ้าเราคาดฝันนะถ้าเขาไม่ทําอย่างที่เราคิดที่เราต้องการเนี่ยเรียกว่าเราไม่ไดทุกขใจเคยเห็นครับบางทีเราทําดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราเห็นไหมครับเราก็เสียใจเนาะเราก็น้อยใจหรือเราให้เลยไม่ได้เห็นของคุณเลยเห็นไหมเราก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกนะใช่ไหมครับแต่เราดูสิครับ เราให้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าให้ก็คือสดะสละออกไปไม่ต้องคิดว่าจะเอาหรือเปล่าอันนี้คือการให้จริงๆเนาะอันนี้คือความรักที่เรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์เนาะก็อยากจะฝากพวกเราไว้เนาะเวลาเราจะรักใครหรือว่าเราอยู่กับใครนะอย่างที่เราใช้ใจที่บริสุทธิ์นะ เป็นความรักความเมตตาความปรารถนาดีนะความที่ไม่คิดเปลี่ยนเบียนคนอื่นน่นแหละมันจะทําให้หินใจเรามีความสุขอันนี้จะเรียกว่าเป็นสาคนธรรมนะเป็นธรรมะสามคนเป็นธรรมะที่ไม่จํากัดศาสนาธรรมะที่ไม่จํากัดเพศหรือวัยไม่จํากัดว่าร่างกายจะเป็นคนปกติหรือคนทีพิการไม่จํากัด เราสามารถที а, ่จะมีความรักความปรารนานี้กับคนทุกคนได้แล้วใจเราเนี่ยจะมีความสุขผู้ให้ความสุขย่อมได้ร so right? so ับความสุขแต่จะฝากพวกเราตรงนี้ไว้นะเราจะได้อยู่กับโลกนี้อย่างมีความสุขใจ่าเดือนนี้ก็คงขอถึควรเนาะแค่เวลาเดี๋ยวกเราการพร้องกัน